พระธรรมเทศนาโมโหสดจาดกจอมปราแห่งมิถิลาภูกติแปนฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปาหุชลาดเกรียบเรี้ยงใหม่จากต้นชบับปืนเมืองโดยป่อยสมชัยชมพูปเปรียนทำหกรปโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮยนโมโ ตถาภากวโตอะราหะโตสมมาสมพุทธาอะเทกาติวังอุดมปาราเทวราชังเอวะมหิต อาทาวดูราสปุริสาตั้งลายตั้งยิงงใจหนุ่มเทาอันมาหนั่งเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาดีว่าาเทกติวสังอุตมปาราเทวีดังนี้เป็นตนบัตนีแดเต เทกาตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งใส่นางนาทัยอุตุมปนเตวีก่อนจุลีกมเก่าเก่าสึ่งเต้าเจ้าวีเตหราชวาขาเดมหาราชเจ้าตนเป็นปินเก่ายิ่งใจอันว่านักผาดลายตั้งศร ได้ก่าวจี่ปัญหาอันเจ้าปารทาทำไว้ได้เสียงไขเสมอกันหรือไผ่พญาตัน ก, ก่าวแก้บ่อแจ้งแน่ตามมีเจ้าปุรีตอบท้อยว่าดูระนังยอดซอยนองคานอันว่าอาจารย์ตั้งสีหูแจ้งที่หันใส่ได้จะใครก่าวแก้ แม่นเตียงแต่เสมอกันต่างหูตันจูผู้ไข่กาอูตามมีนางเตวีท า, า, า, าเลวบ้าแด่เต้าเจ้าผู้บานงั้นว่าอาจารย์ตั้งสีได้ก่าวจี้เรียวว้ย่อนคนได้นั่นใสสอนสั่งไว้จํามา เจ้าปาราตอบเล่าว่าบอกหูเก้าความในว่าเป็นคนใดเก่าเฮเขาูปัญหานางกอทุลนสาน่อมไว้ว่าคาแด่เต้าไทยผู้บ้านอันว่าอาจารย์ตั้งสี่หูแจ้งทีความใน ย้อนอาศะไรน้องข้าคือเจ้านอนลามหสถกุมมานจุมอาจารย์ตั้งสีน้าบอกกี่บ้านไสปากันไปตั้งหมู่ถึงที่อยู่เกหาขอเจ้าบุญนาเก่าวจี้ฮือแจ้งที่หันไสน้องข้าก็ใครเก่า เออเขาหูขีข่ญาย้อนคุณนะ้าลายลา ก, กว่าเขาได้ภาคเสียเมืองกวรเต้าบุญเรืองยศใหญ่อาจญาใสตกปันยังรางวัลมากเตา้าฮอแก่เจ้ามาโหสดกุมมันมากกว่าอาจารย์ตั้งสีจริงจักแม่นตีกองทำเจ้าหอ่อคำฟังแลว้ว เจ้าอ้ฟ่งแพร่เจยบ้านจริงมีราเ จ, จ้าองการตอบท้อยว่าดูระนังยอดซอยเทวีปันหามีไปนาเจ้าเครียกนักผาตั้งหามาามกันใจารามแก่ใดเราจักใส่ตกปันยังรางวัหลายหลากตามดางหากใครจะเละนา ตาต่อปารังทัดนันไปบอดจ้าเมื่อนักภาตั้งห้าพันพายมานังย้ายมวนหมู่พ้อหน้าอยู่โรงกันเจ้าหอจันยอดเ้าจริงใครกาวปันหาวาระสังกาลำตีบอแจ้งทีตามายตันตั้งลายหากรูจุงเก่าปันมา คนหนึ่งมีผญาหาลายหลากป้อยลำบากขี่มองหาเข้าของบ่ใดคนหนึ่งใบไรผ้าญญาป่อยมีเข้าของนามาเตาบ่สศกซศายตาลนเข้าสองคนนีไใสจุงกึดขวพิจารณาว่าคนใดจาผ่าเสดหรือลำเลอเจียงคาน เสนากาอาจารย์ผู้ใหญ่ก่อน้อมใบทุนสาวาข้าแดมหาราชเจ้าตนเป็นเก้าธานีคนพันยาดีองอาจทู่ชาลาจบทองหรือคนบ่หูกองเงาใบคนจบไข่สับปะสิบป่าคนมีวงศาญตุ้งใหญ่ เป็นลกตาวไทยสวยเ ม, อเมืองลูกเสนาเรื่ององอาจลูกอาบาดต่างตนกันตารนกันอยากตกลำบากอนาถา <c oughs> เตียนย่อมมาอ ย, ายู่ใกล้จ่วจวยใจกะตำการเป็นปริวานแวดเฝ้ายัางคนมังเต้าดีหลีคนมั่งมีลายหลาก เงินคำมากตมนาแม่นหาพระยาบ่อใดตั้งแต่ไทยโบราณก็ว่าเจียงคานผาเสือลึ่งลำเลิดนำนาส่วนคนมีพระยาลายแหล่หูแจ้งแด่จบทองหาเข้าคงบ่อใด ย, ยอมตกอยู่ใต้เงินคำเยี่ยตามคำตันจีบอ่อาตรีไก่กา คนมีผ้าญาอันยิงหูจูสิ่งจูภาการย่อมบ่อเจียงคานลำเลิดคือบ่อผาเสือสันได้เลยนะกันเศนากรนักผาดก่าเสียงขาดสุดกรรมเจ้าหอกกรรมบิเตหาราชกบีราชจะองค์การทำปมกกุตะอาจารย์แถมเรา ต้องนักผาดเจ้าเจียงจินคือกามินและเตวินเสียงคว่เขาก่อคบปว้สันเดียวเต้าก่อเลวถามต่อซึ่งเจ้าหนอบุญพายเจ้าก่อ้าวายกรมเก่าว่า้าแด่เต้าเจ้าปาราค้นหาพระยาบ่อใดใดเป็นใหญ่เหลือคนเข้าของตนมาเต้า ย่อมบกอกโเกเอาต่างไว้เจ้าแหลงงาาา่ายพระบาทบอกคืดขวาต่างบุญสร้างบับนุนติดต่อถมปานปอต่างวันกันดับพันกาผาตายลาจากเมืองคนย่อมเอาตนไปใหม่ในตีถอยไร่อาบายกันพันภายมาเกิด ก่อกำเนิดเป็นคนย่อมตารุนต่ำก้อยตุกโสกหอยเครื่องกาส่วนคนมีพระยาองค์อาจจบฉันลาดกองทรรมแม่นหาเงินคำบ่อใดหรือบ่อเป็นใหญ่เหลือคนย่อมเอาตนหลีกเว้นดีจากเส้นต่างว้ยกันตนตายลาภาคดับจิตจากเมืองคน ย่อมเอาตนไปเกิดที่ภาเสดใจบ้านสุขสำรานคำเจ้าบ่อโสกเศร้าเครื่องขีขอเจ้าปุริยศใหญ่หูแจงไขขียาว่าคนมีพรญยาลำเลิศคือภาเสดนานกวา่าคนมีเงินคำบ่อไร แต่ว่าเก่าใบฟ้านั้นแลนะ่าอันว่าพระญาวิเตหราชฟังเจ้าน้อยนาทุนสารจริงถามเสนา ก, กะอาจารย์แถมเล่าว่าดูรานักผาดเก่าเดิมมา ตันมีพระยาองค์อาจจบชาลาดเดือดลายบัติตนคำใจอ่อนน้อยมากก่าท้อยว่าตีว่าคนพระยาดีลำเลิศคือผาเสดนำนากว่าคนปาลาดยศใหญ่มีเขาของไวท้ทมทองตันจุงล้องก่าวแก่ว่าแม่นเตียงแต่สันใด มันเร็วไวขับไวว่าขาแด่เต้าไทยผู้บ้านอันว่ามะโหสถ์กุมารน้อยอ่อนพงเกิดเมื่อก่อนวันวานยามมันจะออกป่ากินน้ำนมหากยังมีขอเจ้าปุรียอดซอยยาเจือถอยกับมันมันบ่อตันเต่าแก่เต่าก้าวแก่ตามไร ขอตนบุญภัยเจ้าฝ้าเจือดังาคาไขมาแล้วมันก็จะบอกเล่าว่าคาแด่เจ้าปุรียังมีเศรษฐีผู้หนึ่งใสหากเงาใบนำนาอยู่เมืองเรารานีเล่าชื่อว่าเจ้าโกวินตะเศรษฐีเข้าของมีนักโสดแปดสิบกดเป็นไม้ บ่มีสายดอเนื้อไว้สืบเจือแตนคัวมันมีตัวพังไร่ยำยังง่เหมือนพีนยำไข่วตีเก่าทอยน้ำลายน้อยเป็นสายกินเป็นลายแต่เล่าดังป่าเน่าเหมือนนานมีนางนงคานอ่อนน้อยงามซอยร้อยสองคนพ้าดับตนพร้อมไข่ด้วยของก้าใหญ่เจียงคาน ยางสาววีมานฝากฝ้ากับเป็ดนาลงมาตั้งสองกันยาบ่าห่างอยู่สองข้างเศรษฐียาบไขวาตีเก่าท้าทอยน้ำลายย้อยเนยหนียวนัวก็เอาดอกบัวเจ็ดลวดถือสะอาดหมดใสแล้วสัตไปไว้ว่องลงนาป่องเฮนตน้น จุมหมูคนทองเราตั้งนมเทาแร่วร่าไข่ได้ดอกบัวงามดวงใหญ่ผ้าดับใส่ส่องหูยอมเข้าไปจูนปองแล้วเอินร้องกําไปว่าพ่อเศรษฐีไปไหนเสียเล่าหรืออยู่ตีเก่าตั้งวันเศรษฐีเรียวปั้นตอบทอยน้ำลายก่อนโยไล่มา สองสาวโสผ้าน้อยนาดก็อเอาดอกบัววาดบาเดเนวแล้วรีเพรีวไว้ว่องสัตว์ลงดาป่องสาสนจุม่มหมูขนถงเลา่าอันอยู่เฝ้ากองหาก็เก็บมาสวยน้ำเฮือเสียงซ้ำหมดใจแล้วนำไปแต่งไว้ประดับใส่สองหู เอาไปจูรงเหล่าทุกคำเจ้าแหลงง่ายข้าแด่เต้าบุญนภายยบใหญ่ภาพแผ่นไตราชธานีโกวินตะเศถษีนั่นใสหากใบไรัาญยาบองงาบตาสักกากเต้ามีเขาของมากเหลือลาย คนยิงใจน้อยใหญ่ย่อมมาแวดวกลเป็นปริวานข้าหันอาการอย่างนี้จริงกาวจีทุนสาวาคนมีพระญานั้นเลา่าบอ่อพาเสตาเงินคำเงินคนเงินนำกาวถอยเสียงเป่งปอยดังดีคนพระญาดีหูไข่ปอยอยากไรตกผาน จักจะขานเกาจีไัยบอกีีหูฟังแลยนะตังสุดตาราจาันว่าพาญาวิเตหราชฟังเสนาการนักผาทุนสารจริธรรมนอปูธิญาณแถมเรา ว่าตัวแห่งเจ้าบุญมีจะไขว่าตีกาวแกฮือแจงแด่สันได้เจ้าก็อไว้น้อมไว้ว่าคาแด่เต้าไทยผู้บาลเสนาการนี่เล่าเต้าแกเท่าได้ได้บอกขึ้นหมายไปนาพระญาตุนุญจานำนามีสายตาหักสั้น บอ่อพ่อสั้นยาวไปโลกจังไรจักจองตกอยู่ห้องตันหาโบ ร, ราชนจาว่าไว้คือหากได้กาพร้อมบินลงตอมก่อนเข้าดังมาเท้าเฝ้าอาหารใจบอ่อปานคืดรอดถึงขอนจักตอดตีหัวเต้าเม่ามัวพะมาด บ่อเกิดขวาดอุ่นต า, ายเตียนย่อมตายหมุบมู่ย้อนบ่อหูปิดจารณนาคนมีโพก้าพร้อมไค ว, ม, ควมียดใหญ่นำนาค้นหาพระยาบ่อได้เตียนย่อมใจเงินคำอาจยาจำจองจี้บ่อแม่นตีกองดีเบียดเบียนขีคำราบ กาตำบาบตาร้นฮือแก่คนน้อยใหญ่ได้ร่อนใบเครื่องกากันมอระนากาภากย่อมบอป้อนจากอบาย <c oughs> บอมีหมายได้เกิดในตีผาเสือเจียงคานยามตุกปานถูกตองในแห่งห้องตัวตนย่อมเรร้นสะตอนวังบูรอนนำนา เป็นดังป่าถูกแดดดินผัดแวดได้ได้ค่ะหันร้ายอย่างนี้จริงก่าวจีทุนสาวาคนมีพระญาภระเสดคือล่ำเลิดเหลือลหลกว่ายิ่งใจยดใหญ่มีเข้าของไววทุมนาเต่าหาพระญาบ่อใดมันจะร่อนไม่ไปลูนุนแหละนะ โสราจาันวาพระญาวิเตหาราชฟังเจ้าน้อยนาทุนสารจริงรมเสนาคะอาจารย์แถมเล่าว่านักผาดเก่าเดิมมาจักไขาจากาวจี้ฮแจ้งทีสันใดมันก็ไขตอบทอยว่าคาแ ด, ดต้าอยอดซอยปา ร, ราอุปปามาเพียบไ้ คื <c ười> ừ, ตอตยตนไม่เหล่างามลูกลายลำหอยย้อยหวานจืนจ้อยเอาใจจุมนกในเตือนทองแม่นอยู่ห้องไก่ตาเตี <c ười> ยนย่อมมามวลหมูบอกว่าอยู่แดนใดเตียนย่อมไหลบ้าเฝ้าทุกคำเจ้าแลงง่ายข้าหันร้ายอย่างนี้จริงก่าวกี้ไข่กำ ว่าคนมีเงินคำผาเสดเกิดลำเลิดนำ้าว่าคนมีผ่าญาแต่ใส่บ่อเพียบใดเตรียมตั้นเจ้าหอจันฟังแล้วจริงามเจ้านอกแก้วบุญภายว่าตนคำใจอ่อนน้อยจักตอบทอยสันใดเจ้าก่อไว้ก้มเก่าว่าคาแด่เต้าเจ้าปารา บนป่าลงางเหงาใบมี nh nh ยดใยเงินลหลมันบ่หมายสร้างก่อนอยังบุญต่ อ, อยาวไปย่อมมีใจห ย, ยาบชากรตทำบาปกะสามานจะย่มพี่บ้านย่อมก้องลงสู่ห้องเอาวเวจีตุกเครื่องขีไม่เดือดบอ่อหูเขือดคืนวันคาเล้งหันดังนี้ จิงเกาจี้ทุนสาวาคนมีผ่านานั่นใสดีกว่าคนเงาใบปาลาบีพกกามักเต้าโบกเกาตังไวเลยนะกันหนอปุถาก่าวแล้วเต้าตนแก้วผู้บ้านก่อทำเสนากะอาจารย์แถมเรลาว่าจังตอบใจลุ่มเน่าสันใด มันก็ใครตอบทอยว่าแม่นำน้อยตั้งลายรอยปั้นายแต่ใสมีจือไว้เป็นทาราเกิดแต่ดงนาเทียนทองหรือจาก้องแดนไก่เตียนย่อมไหลไปคอนลงสู่บันกงกาจือติดมาาดวงแล้วย่อมกาดแก้วสญนาย คนย่อมไม่จื้อหม่ว่าแม่นําใหญ่กงกากงกา น, น, นาหนาไหลคลอนไปสู่บอนสมุตรสากรนา ม, มาก่อนอันเกา่า <c oughs> ก็หายเหล่าสะพันคนเรียกกันแทมไม่ว่ามาหาสมุทรใหญ่สากรขอเต้าผู้ทอนผำรู้ว่าคนจู่ผู้ยิ่งใจ มีผ่านยาภายจบจอดหรือใบบอดปานาย่อมไหลไปหาบ่กขาดอยู่ใต้อำนาจคนมีแหลนาต่างสุดตาราชอันว่าผานยาวิเตหาราชฟังเศนกกนักผาดไขรคำจริงทำนอคุณทํามดมเน่า ว่าจะตอบเราสันใดเจ้าก็ไขต้านกล่าววาา่าคาแดดเต้าผู้ทอนอันว่าสามุตสากอนนั่นใส่กำลังใหญ่นำนาแ้มลมมาทีบตองย่อมลันร้องตีฟ้องขึ้นไหลน้องและลั่งกันมารอดฟังเลยหาย ลายต่อลายแต่ใสล่นฟังบ่ได้ดีดีคนบังมีหลายหลากนคำมากถมนานย้ำสังกามาตองอนแห่งห้องหัวใจหรือมีภัยน้อยใหญ่มาเกิดใดในตนย่อมเรรนไววหวาดไปหานักผาดผู้มีภัญญา ช่วยพิจาราณาเก่าจี้ฮือแจ้งทีหันใส่เพียบเตี้ยมไปดังฟังย่อมเกิดกังสากรนน้นแลยนะกันห่อพุทธายอดซอยเก่าเสียงถอยสุดคำเจา้าห่อคำบิเตหาราชจริงทมนักพาเสนักกอจจา์ ว่าจักจะคานก่าวแก้หือแจงแด่สันได้มันก็ไขตอบเราว่าคาแด่เต้าเจ้าปาราค้นหาพระยาบ่ไ ด, ด้มีหยดใหญ่ทะรุสตีใจบ่ดีมืดบอดบอด่กิดรอดสินทำได้ไขคำก่าวอ้าง ในกว่างกวางสนามได้ตัดความเก่าจี้บอมเมนตีตามกองผู้เป็นเจ้าของแต่ไซว่าบอ่อใจของมันคนชากันไร้โหวดว่าบอ่อมีตอดสัต์จังคนผู้ฟังใหญ่น้อยเขาเจือถอยเอากำคนมีพระอยาดนำชาลาด ก็มียศอาตเสียสิจักไถว่าตีดังนี้ไพโบกีโหหาตัดสมาเหตุนั้นไสคนยศใหญ่ทารุงสลีผัญญาบ่มีสักกะคนก็หากยอมยมแหลนา อญญาวิเตหราชเจ้าภาษาเจียง้านจริงธรรมดอกโปที่ยานอ่อนน้อยว่าจักตอบท้อยสันใด <c oughs> เจ้าก็ใครตอบตาว่าคาแดเจ้าฟ้าเนื้อหัวอันว่าเสนากะตัวแก่เท่าใจกำเศราจังไรมืนตาใสสั้นที <c oughs> หันแต่จัดนี่บัดเดิวบ่อคืดเดียวจัดนาว่าจากตกต่ำจาคเกื่องกาคนผู้จากเกาถอยมุสาถอยตัดความคนเต็มสนามกว้างใหญ่ย่อมตีเตียนไขยิงใจกันมันตายมุกมู่นรกเป็นที่อยู่ดีหลีคนพ่าญาดีจุกจอด ย่อมปนรอดอาบายค่ะหันร้ายดังนี้จริงก่าวจีทุนสาว่าคนมีพระญาณนันใสดีกว่าคนยศใหญ่สามานเสดากาอาจารย์ผู้เทาก่อตันเล่าวาตีว่าคนพรญาดีลำยิง โอ้เจ้าสิงสปะสิป่าดังดินนากว้างใหญ่เตาอยากใครขี่มองบ่บีเข้าของสักกากแม่นจากปากกำงามกางสะนามกว้างกว้างไัยบ่อ้างยินดีย้อนมีสรีตกถอยดังหิงห้อยจังไรยามตาวันใสกึ่งฟ้าย่อมภาคนาให้หุ่นแน่นา นอพุทธยอดซอยจริงตอบถอยกำไปวาเสนกะมีใจกำกี้พอแต่จัดที่ปัจจุบัน <c oughs> บ่กึดหันปายนาว่าจากตกถอยจ้าตารนจักป่าคนบอดใบลงสู่ไตาอาบายคนผ่านยาลายจกจอดหูเสียงขอดซับปะสิบปา ดังแผ่นดินนาใหญ่กว้างย่อมบ่ออ่างผิดธรรมบ่อไข่คำก่าวถอยอันเจ้าถอยมุสาคนนานาได้หูย่อมจืนสู้ยินดียามดับอินทีกาผากตายลาจากเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดจันฝ้าเลิดเมืองสวรรค์ค้าเล็งหันดังนี้จริงกาวจี้ทุนสา ว่าคนมีพระญาหลายแลพาศตแต่สัดจังเสนักฟังเมียนจอดจิงไว้เต้าหยอดผู้บ้านว่ามะโหสุดกุมารยังน้อยอย่าเจือถอยกัมมันขอเจ้าหอจันยดใหญ่ฟังข้าบาทไทยไข่กัม อันว่าเงินคำก้าใหญ่ของเขื่องใจดวงลายตั้งวัวควายจังมาตั้งเครื่องงาอาลังการของเจียงคานผะเสดเตียนย่อมเกิดมีมาในกองตาตีกาแห่งคนยศใหญ่ทรงสนดีตั้งเศรษธิป่อกาพ้อตวนานายิ้งใจ <c oughs> คนผ่านยาลายจบจอดคนถามอดอนาถาย่อมไหลม้าตีไกเปึ่งคนยศใหญ่ทารงสรีค่ะันดีดังนี้จริงได้จี้ใครจะว่าคนมียศนาสักใหญ่ดีกว่าผู้ไข่จบทองและนะา นอปุธานยอดซอยก่อตอบถอยว่าตี้ว่าคนผู้มีมังเต้ากันบอกหูเก่าตั้งไว้บอกหูอุบายฉลาดบอกหูเกิดขวาดปิจารณาเข้าของทมนามวนมากย่อมละภาคายนีดังงูดงรีป่าเศร้าละขาบเก้านีไปเลยนะ เสนากานักผาดก็คืดขวาดคานิ่งในว่าจะใครเกาวจี้ือเสียงตีสุดปลายบอกหัวใจอ่อนน้อยได้เกาวถอยยาวไปมันก็ไขต้านเกาวว่าค่าแด่เต้าบุญภายผู้ข้าลายตั้งสี่หูแจ้งทีสับปะสิ ป, ปะ มีภ้าญาชาลาดไัยบ่ออาเตรียมตั้นยังฟ้ากันบ้าเป้าอุปถาคเต้าเจ้าตั้งวันข้าเล่งหันดังนี้จริงได้จี้ทุนสาวาคนมีภ้าญาจบจอดหูไข่รอดจู่ภาการบ่อเจียงคานลำเลิศบ่อผาเสื ด, ดีลี บ่เต้าผู้มียศใหญ่อันบ่อไขอุบายย่อนค่าตั้งหลายนักผาดยังเป็นข้าพระบาทองค์คำแล่นาทนเสนากะกล่าวแล้วเต้าตนแก้ววิเตหราชก่และตาสั้นผอยังเจ้าน่อยหนอมโหสดกุมาน ว่ายังจะคานก่าวแก่หือได้แปะสันใดเจ้าก็ไว้กมเก่าว่าคาแดดเต้าเจ้าผู้บ้านเสนากาจรนี่ใสพอแต่หยดใหญ่ได้ได้บ่คานิ่งหมายคือตรอดถึงยังยอดพระญายามีปัญหาหลายหลาก อันเลิกยากมีมาแม่นเป็นภ า, ายาหยดยาวนั่งแต่นเต้าเสวยเบื้องตั้งเสนาเรื่องเฮาหาตั้งอามาตปโรโหิตา <c oughs> กันบ่มีภาญาแจ้งไข ย, ย่มอมแกบ่ไดดีลีคนผ้าญาดีองอาจจบชาลาจูอันอันจักไขปันเกาวแจ้ง คือเสียงแห่งสังกาแม่นเป็นพาญายศใหญ่ภาแผ่นไตเวียงใจยังอาสะไรนักภาดผูด้ฉลาดจบทองและนะกันหนอพุทธาก่าวแล้วเต้าตนแก้วผู้บ้านจริธามเสนาะอาจารย์ผู้เท่าว่าจักตอบเล่าสันใด มันตันใจนักแก่บ่อจางแก่ไข่จานย้อนมันเฮียนมาแต่ไทยมดเสียงไข่ปิ้นเต้านั่งมองเงาจดเบาน่ามนเศร้าขี่คมดังปากอมเข้าเปลือกายลิ้นเงือกนำนาบ่ออาจารต่อถอยกับเจ้าอ่อนน้อยเหยาไป เจ้าสายใจดมเนาซ้ำใครเล่าขี่ยาว่าพระญาผาเสดมีกุนเอิดเจียงคานดังจักเสนาคะอาจารย์นักผาดตกต้องตาดวางบนบ่เฮ่อาตนออกได้จริงน้อมไว้เรียวไวอย่างเจ้าหอใจหยดเยาว่าค่ะแด่เต้าบุญภาย นักผาดลายก่อนเก่ามีพระพุทธ้าเจ้าเป็นพาทานย่อมจะคันเก่าจี้หือแจ้งทีขี้ญาว่าผาญาณนินะผาเสดเกิดลำเลิดนาดำตั้งเงินคำลายลาเครื่องใจมากนานาตั้งยศทาสักใหญ่ จักเกิดใดมีมาเกาะย้อนผ่านญาณนั้นเล่าเป็นเหตุเก่าปาวีคนจักหนีตกยากคือป้อนจากตาั้งพานถึงนิพานเป็นยอดสุดเสียงขอดสังกาเกาะย้อนผ่านญาติซ่งหื้อหูจ่องต่างไปนั่นและนาะ อันว่าพญาวีเตหาราชฟังเจ้าน้อยนาฏจากใครนิ้นมีใจจมจืนจริงจักยืนตกปันยังรังวันบ่้อยแก่เจ้ายอดซอยบุญภัยคือจ้างปังป้อยตัวพาเสดงัวอุสุภาเลิดตัวดีตั้งวัวปีหลายหลากปันหนึ่งหากเป็นไม้ รถงามลหลใจจ้าเตียมด้วยมาอัสาดอนเต้าผู้ทอนตกใส่สิบเล่มไข่เป็นหยบ้านสวยลายสิบหกบานอยู่นอกดานเวียงใจคือเจ้าสายใจบุญใหญ่ได้ใจใจตามเปิงก็มีวันนั้นแลยนะ เนธิตังขีณาสังวันนาณนวิเศษจาห้องเหตุมะโหสดผูกทวนเจ็ดก่อบังกมสม็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลว